สำหรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันที่บีทยุไทย PBS w w w t h a i p b s r a d i o c o m วันนี้ยังชวนคุณตามติดชีวิตโยคยีต่อเนื่องมาเป็นตอนที่20แล้วนะคะจากหนังสืออัตาชีวประวัติของโยคยีที่เขียนโดยโยคยีท่านปรมาหังษายโยคา น, นันทะค่ะ อยู่ีชื่อดังของอินเดียที่ได้รับการยอมรับนับถือในสหรัฐอเมริกาท่านเขียนหนังสือเล่มนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ได้รับการแปลไปทั่วโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นหนังสือทางจิตวิญญาณที่ดีที่สุดเล่มหนึ่งแห่งศตวรรษแม้ว่าจะเต็มไปด้วยอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์แต่คนไทยก็คงจะคุ้นเคยกันดีค่ะสนุกนะคะ และขณะเดียวกันถ้าฟังดีๆก็จะเห็นว่ามีหลักปรัชญาธรรมะคือดิฉันอ่านแล้วก็รู้สึกสงบนะคือรู้สึกเหมือนกำลังอ่านธรรมะแต่เป็นธรรมะที่อธิบายในแนวทางของศาสนาฮินดูผ่านวิธีปฏิบัติของโยคีของนักบวชในศาสนาฮินดูเพราะว่าความจริงก็สามารถที่จะเข้าได้หลายทางนะคะ และเมื่อเข้าถึงความจริงสูงสุดก็จะมีแต่ความสุขความสงบอันแท้จริงแต่นั่นก็หมายถึงว่าจะต้องผ่านการปฏิบัติเคี่ยวกมตัวเองอย่างหนักหน่วงค่ะที่ผ่านมาเราอาจจะเห็นภาพของโยคยีที่หลายคนอาจจะมองแนวตลกตลกกันนะคะว่าเป็นคนที่แต่งตัวแปลกแปลกเป็นคนที่สุดโตรง เป็นคนที่เต็มไปด้วยศรัทธาและความเชื่อเป็นคนที่เหมือนกับว่าสื่อสารกับคนทั่วไปไม่ค่อยรู้เรื่องแยกขาดจากโลกภายนอกแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้ซึ่งโยคีเป็นโยคีที่มีการศึกษาจบปริญญาตรีผู้ภาษาอังกฤษได้นะคะแล้วก็ได้เปิดเผยเรื่องราวจากประสบการณ์ตรงของท่านก็ทำให้ ชาวตะวันตกฝรั่งมังค่าได้รับรู้ในภูมิปัญญาโบราณของอินเดียที่มีสีสันน่าสนใจโยคะที่เราถือปฏิบัติกันนะคะเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในวิธีปฏิบัติของโยคีวันนี้ตอนที่20นะคะจะเป็นตอนสำคัญอีกตอนหนึ่งค่ะซึ่งพูดถึงช่วงเวลาที่ท่านลายฮิริมหัศยะ ได้พบกับท่านบาบาจีผู้เป็นอาจารย์ของท่านคือว่ากันว่าท่านบาบาจีเนี่ยเป็นองค์อวาตารของพระเป็นเจ้าที่นํากิริยาโยคะกลับมาสู่มนุษย์แล้วก็มอบหมายให้เป็นหน้าที่ของท่านลาฮิริมหัศยะในการที่จะนำมาเผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดสู่ลูกศิษย์ลูกหาที่เหมาะสมแต่ว่าตัวท่านบาบาจีเนี่ย เป็นคล้ายๆกับเป็นทิพยสภาวะนะคะท่านไม่แก่ท่านหนุ่มอยู่ตลอดการเรื่องราวตอนนี้เหมือนเหมือนภาพยนตร์เลยค่ะตื่นเต้นนะคะเอาละถ้าคุณผู้ฟังสนใจติดตามได้เลยแต่ตอนแรกเนี่ยเรามาฟังกันก่อนนะคะกับช่วงเวลาที่ มาตาจตีน้องสาวของท่านบาบาจีเชิญท่านลาฮิริมหัศยะแล้วก็ท่านท่านโยคีที่ชื่อว่าเกพรานันทะนะคะหรือว่าท่านรามโคปานเอ๊ะขออภัย ไม่ใช่ท่านเกพรานัน t h ขอภัยท่านปราหมโคปานคือมีหลายท่านอ่านไปก็ชักงงนะครับคือให้ท่านปราหมโคปานเนี่ยมาเป็นสักขีพยานด้วยและท่านปรามโคปานก็ได้ไปที่ท่าน้ําท่าน้ําแห่งหนึ่งแล้วก็ไปเจอท่านลาหิริมหัศยาไปเจอท่านมาตาจี คือท่านบราหมโคปานเนี่ยเป็นลูกศิษย์ท่านลาหิริมหัสยะนะคะต้องต้องลําดับให้ได้ให้ได้ฟังก่อนเพราะว่าเรื่องนี้มีหลายเจเนอเรชันมากนะครับท่านบราหมโคปานเป็นลูกศิษย์ของท่านลาหิริมหัสยะแล้วก็วันหนึ่งเนี่ยท่านเหมือนกับถูกเรียกให้ไปที่ท่าน้ําแล้วพอไปถึงก็ไปเจอท่านลาหิริมหัสยะแล้วก็ท่านมาตาจีที่เป็นน้องสาวท่านบาบาจี แล้วก็เจอท่านบาปาจีคือทุกคนเนี่ยมาแบบเหมือนกับมาแบบยังไงล่ะคือไม่ได้มาแบบสสารมาแบบพลังงานพลังงานที่เป็นมวลแสงอันลี้ลับพวยพุ่งแล้วก็ค่อยๆรวมตัวเป็นสสารคือเป็นร่างอนนี้อธิบายแบบวิทยาศาสตร์นะคะท่านบราเมาโคปานี่ก็อึ้งไปเลย เอาละเดี๋ยวมาฟังกันนะคะว่าท่านมาตาจีเนี่ยเชิญท่านบาบาจีมาเพื่ออะไรติดตามได้เลยค่ะ บาบาจีก็ได้กล่าวกับท่านมาตาจีผู้เป็นน้องสาวบอกว่าพระคินีผู้ประเสริฐเราตั้งใจจะละสังขารเข้าไปรวมอยู่กับกระแสะแห่งพระเป็นเจ้าเสียทีอิชันรู้เรื่องที่ท่านคิดจะทำแล้วเจ้าค่ะอิชันจริงอยากจะหารือเรื่องนี้กับท่านในคืนนี้ทำไมท่านจริงจะต้องละสังขารด้วยล่ะเจ้าคะเราจะอยู่ในกายเนื้อ หรือเป็นกระแสคลื่นอันมองไม่เห็นในมหาสมุทรแห่งเพราะเป็นเจ้าของตัวเรามันจักต่างกันตรงไหนท่านมาตาจีตอบกลับไปด้วยไว้พริบปฏิพานอันเฉียบไวว่าท่านค ร, รุผู้ชนะความตายหากความแตกต่างไม่มีจริงแล้วไซก็ขอท่านได้โปรดดำรงอยู่ในกายสังขารนี้ตลอดไปเถิดเรารับปาก เราจะไม่ละกายสังขาร น, นี้ไปอย่างน้อยที่สุดกายธาตุของเราก็จะปรากฏให้ผู้คนบนโลกจานวนหนึ่งเห็นอยู่เสมอเพราะเป็นเจ้าส่งใช้ปากของเธอเผยพระประสงค์ให้เราได้รู้ขณะที่ท่านปราโมาโคปาล น, นิ่งฟังการสนทนาของท่านผู้สูงทรงทั้งสามอย่างยำเกรงอยู่นั้นท่านมหาคุรุบาบาจีก็หันมาทางท่านปราโมาโคปาล ด้วยท่าถีที่มากด้วยเมตตาว่าอย่ากลัวไปเลยรามโคปานเบื้องบนกำหนดให้เจ้ามีวาสนาได้มาอยู่รู้เห็นเป็นพยานในการให้คำมั่นสัญญาอันจะดำรงอยู่ชั่วการในครั้งนี้จากนั้นเสียงของท่านบาบาจีก็ค่อยๆแผ่วหายไปร่างของท่าน กับท่านลาฮิริมหัสยักก็ค่อยๆ่อยลอยขึ้นแล้วเคลื่อนถอยหลังออกไปเหนือสายน้ำพระคงคาทั้งสองท่านมีแสงโอบล้อมอยู่รอบกายในขณะที่หายลับไปในเวิ้งฟ้าแห่งราตรีกาส่วนร่างของท่านมาตาจีเองก็ลอยกลับแล้วก็หายลับลงไปในถ้ำ แผ่นหินที่ลอยค้างอยู่กลางอากาศก็เลื่อนลงมาปิดปากถ้ำเอาไว้เหมือนกับมีมือที่มองไม่เห็นจับมันลงมาท่านร า, าโคปานก็บอกว่าหลังจากที่ท่านได้รับแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่ท่านก็บ่ายหน้ากลับไปยังอาสมของท่านลายฮิริมหัสยะขณะก้มตัวลงกลราบคารวะท่านในยามฟ้าสาง ท่านลาหิริมหัศยะผู้เป็นครูนะคะก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเราดีใจกับเจ้ารามโคปานเจ้าอยากพบกับท่านบาบาจีกับท่านมาตาจีมานานอย่างที่เคยบอกกับเราอยู่บ่อยๆในที่สุดความปรารถนาของเจ้าก็เป็นจริงจนได้และอย่างน่าอัศจรรย์เสียด้วยสิทธิ์ร่วมสํานักคนอื่นๆก็บอกกับท่านรามโคปานว่า ท่านาิริมหัสยะไม่ได้ลุกจากบริเวณยกพื้นที่ท่านนั่งอยู่ตั้งแต่ตอนที่ท่านปราโมะโคปานไปจากอาสมเมื่อตอนเที่ยงคืนคือหลังจากที่ท่านปราโมะโคปานได้ยินเสียงเรียกว่าให้ออกไปที่ท่าน้ําท่านลาหิริมหัสยะก็แสดงธรรมให้ลูกศิษย์ฟังคือนั่งอยู่ตรงนั้นแต่ปรากฏว่าท่านปราโมะโคลปานเนี่ย ไปเจอท่านลาฮิริมหัสยะสแสดงกายที่ท่าน้ำใช่ไหมคะคือไปที่ท่าน้ำแล้วก็ไปเจอกับอาจารย์ที่นั่นแต่พอกลับมาลูกศิษย์คนอื่นๆก็บอกว่าอาจารย์ไม่ได้ไปไหนเลยอาจารย์อยู่ตรงนั้นตลอดท่านบราเมาโกปางก็บอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ท่านได้ตระหนักในสัจธรรม อันปรากฏอยู่ในสโลกของพระคำภีว่าบุคคลผู้หลุดพ้นแล้วยอมสามารถไปปรากฏกายในเวลาเดียวกันแต่ต่างสถานที่ได้โดยแยกร่างออกได้เป็นสองร่างหรือมากกว่านั้นแล้วก็ภายหลังท่านละหิริมหัสยะก็ได้อธิบายหลักอภิปรัยาว่าด้วยแผนการต่างๆที่พระเป็นเจ้าทรงกำหนดเอาไว้สาหรับโลกนี้ให้ท่านได้รู้ แล้วก็บอกว่าพระเป็นเจ้าทรงเลือกท่านบาบาจีให้รับหน้าที่ดำรงไว้ซึ่งกายาธาตุตลอดการดำรงอยู่ของกัปนี้ยุคสมัยต่างๆจะผ่านมาและผ่านไปแต่ท่านอาจารย์ผู้อยู่เหนือความตายจะอยู่บนโลกนี้เพื่อเฝ้าดูความเป็นไปของโลกไม่ว่าเวลาจะผันผ่านไปสักกี่ร้อยกี่พันปีก็ตาม อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องการพบกันครั้งแรกระหว่างท่านบาบาจีกับท่านลาฮิริมหัสยะก็เป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็เป็นหนึ่งในไม่กี่เรื่องที่ทําให้รู้จักกับท่านบาบาจีที่ได้ชื่อว่าคุรุเป็นมหาคุรุผู้อยู่เหนือความตายได้ดีขึ้นอ่าที่เป็นเรื่องเล่าของท่านสวามีเกพรานันทะนะคะซึ่งเล่าให้ท่านโยคานันทะฟัง ท่านสวามีเกพรานันทะเป็นครูสอนพิเศษภาษาสันสกฤตให้กับท่านโยคานันทะเมื่อตอนที่ท่านเป็นคาวาท่านลาฮิริมหัสยะพบกับท่านบาบาจีครั้งแรกตอนที่ท่านลาฮิริอายุ33ปีค่ะคือตอนนั้นท่านทำงานเป็นสมุบัญชีในกรมโยธาธิการของทางกองทัพ ประจำอยู่ที่เมืองฐานะปุระช้าวันหนึ่งหัวหน้าก็เรียกตัวเข้าไปพบแล้วก็บอกว่าคุณลาฮิริผมเพิ่งได้รับโทรเลขจากกรมให้ย้ายคุณไปประจำที่ราณีเขตตอนนี้กองทัพตั้งกองรักษาการขึ้นที่นั่นแล้วท่านลาฮิริมหัศยะมีคนรับใช้ติดตามไปด้วยหนึ่งคนค่ะ ดันดนเดินทางไปถึง500ใหไม่นะคะทั้งขี่ม้าแล้วก็นั่งรถม้า30วันเต็ ม, ตมๆก็ไปถึงเมืองราณนเขตที่เทือกเขาฮิมาลายัยงานที่สำนักงานก็ไม่ได้มากมายนะักท่านจึงมีเวลาออกตระเวนท่องเที่ยวไปตามป่าเขาวันละหลายๆชั่วโมงแล้วก็มีข่าวลือว่าในละแวกนั้นเนี่ยมีโยคีผู้ยิ่งใหญ่หลายท่าน มาพักพิงเป็นร่มใบบุญให้กับผู้คนท่านลาหิริมหัสยะก็อยากจะเห็นบ่ายวันหนึ่งในขณะที่ท่านกําลังเดินชมภูเขาลําเนาวไพรไปเรื่อยเปื่อยก็ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อดังแว่วมาแต่ไกลท่านก็นึกแปลกใจว่าเอ๊ะใครมาเรียกเพราะว่าแถวนั้นก็เป็นเป็นที่ที่ห่างไกลแล้วก็ไม่น่าจะมีใครรู้จักท่าน ท่านกระเด่งฝีเท้าขึ้นไปบนเขาตามเสียงเรียกนะคะแม้ว่าใจเนี่ยจะกังวล น, นิดๆว่าเอ๊ะจะกลับลงมาทันหรือเปล่าคือเกรงว่าจะกลับไม่ทันมืดแต่ในที่สุดท่านก็ขึ้นไปถึงทุ่งโล่งเล็กๆที่มีถ้าไรล้อมอยู่รอบด้านค่ะพอไปถึงก็เจอชายหนุ่มคนหนึ่งยืนยิ้มแล้วก็ยื่นมือออกมาคล้ายกับจะต้อนรับอยู่ในที ท่านก็มองด้วยความอัศจรรย์ใจเพราะว่ารูปร่างหน้าตาของชายหนุ่มผู้นั้นเนี่ยเหมือนกับท่านมากต่างแต่ว่าชายหนุ่มผู้นั้นมีผมสีทองแดงชายหนุ่มผู้นั้นบอกว่าลาฮิริเจ้ามาถึงที่นี่จนได้เข้ามาพักที่ในถ้ำนี้คนที่เรียกหาเจ้าคือเราเองท่านลาฮิริก็เข้าไปในถ้ำ เป็นถ้ำที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากมายแต่เป็นประเบียบเรียบร้อยในนั้นมีผ้าห่มขนสัตว์อยู่หลายผืนกับหม้อน้ำอีกสองสามใบาชายหนุ่มผู้นั้นก็ถามบอกว่าลาฮิริเจ้าจําที่นั่งนั่นได้ไหมท่านชี้ไปที่ผ้าหม่มซึ่งพับวางไว้ที่มุมหนึ่งของถ้าท่านลาฮิร ah ิตอนนั้นก็บอกจาไม่ได้รู้สึกมึนงงแล้วก็บอกกับ กับโยคยีหนุ่มผู้นั้นบอกว่ากระผมจะต้องกลับลงไปเดี๋ยวนี้แล้วครับไม่งั้นฟ้าจะมืดเสียก่อนพรุ่งนี้เช้ากระผมยังมีงานที่สำนักงานต้องทำอีกมากแต่โยคยีลึกลับผู้นั้นกลับตอบมาเป็นภาษาอังกฤษบอกว่าสำนักงานนั้นอุบัติขึ้นเพื่อเจ้ามิใช่เจ้าอุบัติขึ้นเพื่อสำนักงานทนลาฮิริก็ถึงกับตะลึงลานกับการที่นักบวชกลางป่าเขาคนนี้เนี่ยพูดภาษาอังกฤษได้ แล้วก็ยังยกเอาถ้อยคําตํ ำ, ำรัดของพระคริสต์มาใช้ได้อีกด้วยคือเป็นประโยคที่คล้ายๆกับเรียนแบบมาจากตารัดของพระคริสต์ที่บอกว่าวันสาบาโตนั้นทรงตั้งไว้เพื่อมนุษย์มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สําหรับวันสาบาโตนะคะจากนั้นโยคีหนุ่มก็บอกว่าโทรเลขของเราได้ผลจริงๆ เราหมายถึงโทรเลขที่เรียกตัวเจ้ามายัางดินแดนอันเปรียวร้างแห่งนี้เรานี่แหละที่ดนใจเจ้านายของเจ้าให้ย้ายเจ้ามาประจำอยู่ที่ราณีเขตเมื่อบุคคลรู้สึกได้ว่าตนเองเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษยชาติจิตของผู้คนทั้งหลายก็จะกลายเป็นสถานีถ่ายทอดสัญญาณให้เขาเลือกใช้ได้ตามใจชอบลาฮิรี จาไม่รู้สึกคุ้นตากับถ้ำนี้บ้างหรืออย่างไรในขณะที่ท่านลาฮิริยังนิ่งเงียบด้วยความงงโยคีหนุ่มลึกลับผู้นั้นก็เดินมาหาใช้มือแตะที่หน้าผากของท่านเบาๆท่านลาฮิริรู้สึกถึงกระแสะอันน่าอัศจรรย์บางอย่างแล่นว่าผ่านสมองปลดปล่อยความทรงจาในอดีตชาติที่ฝังอยู่ในส่วนลึกให้ผุดพลายขึ้นมา แล้วท่านก็จำได้จำได้ว่าโยคียหนุ่มลึกลับผู้นี้แท้จริงแล้วคือท่านบาบาจีผู้เป็นคุรุหรือว่าเป็นครูของท่านนั่นเองภาพในอดีตที่ปรากฏขึ้นในใจของกระผมนั้นแจ่มชัดนักเมื่อชาติที่แล้วกระผมได้เคยพิงพักอาศัยอยู่ที่นี่ในถ้าแห่งนี้มานานหลายปีดีดัก ความทรงจำอันยากจะบรรยายไหลหลังพรางพรูเข้าหาเราเราได้แต่น้ำตาไหลพราาตรงเข้าสวมกอดเท้าของท่านผู้เป็นครุกว่า30ปีที่เราเฝ้ารอให้เจ้ากลับมาหาเจ้าจากไปอย่างเงียบๆหายลับไปในท่ามกลางกระแสะอันอึงอนของดวงวิญญาณอันเหลือขนานับกรรมอันเปรียบประดุษคทถาวิเศษ แต่ถูกตัวเจ้าแล้วเจ้าจึงได้จากไปถึงเจ้าจะไม่เห็นเราอีกแต่เรากลับเฝ้ามองดูเจ้าอยู่โดยตลอดตามเจ้าไปเหนือทะเลทิพย์อันเบืองรองในถ้ำกลางหมู่นาวาของเทพพยายดาเราติดตามเจ้าไปในถ้ำกลางความมืดพายุลมฝนความชุลมุนวุ่นวายและแสงอันส่องสว่าง เหมือนแม่นกที่เฝ้าคุ้มครองป้องกันภัยให้กับลูกน้อยของมันขณะที่เจ้าอยู่ในคันมารดาและคลอดออกมาเป็นทารกสายตาของเราก็ไม่เคยห่างหายไปจากเจ้าปีแล้วปีเล่าที่เราเฝ้าดูแลเจ้าด้วยใจอดทนรอคอยให้ถึงวันอันประเสริฐเช่นวันนี้ที่นี่คือทําของเจ้าของรักของเจ้าแต่เก่าก่อน เราคอยปัดกวาดมันให้สะอาดพร้อมต้อนรับเจ้ากลับมานี่คือผ้าหม่มที่เจ้าใช้ปูรองเป็นอาสนะเพื่อเจริญสมาธิให้เข้าถึงองค์พระเป็นเจ้าอยู่ทุกเมื่อเช้าวันนี่คือบาดของเจ้าเจ้ามักดื่มน้ำอำมาอมฤตที่เราเตรียมไว้ให้จากบาดใบนี้อยู่บ่อยครั้งดูถ้วยทองเหลืองใบนี้สิเราขัดถูมันจนขึ้นเงาเพื่อว่าสักวันหนึ่ง เจ้าจะได้กลับมาใช้มันตักน้ำดื่มอีกครั้งลูกเอ๋ยคราวนี้เจ้าเข้าใจแล้วหรือยังนี่คือ <am> ช่วงเวลาแห่งการพบกันของท่านลาฮิริมหัศยะกับท่านบาบาจีซึ่งตอนนั้นท่านลาฮิริก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกอาจารย์ขอรับกระผมจะพูดกระไรได้ ความรักใคร่เมตตาอันเป็นนิรันดเช่นนี้ยังจะมีให้ได้ยินได้ฟังจากที่ใดได้อีกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงเวลาที่มหัศจรรย์นี้ได้ต่อในช่วงหน้าคะ่ะ จากนั้นท่านลายฮิริกก็ได้รับคำสั่งจากท่านบาบาจีให้ชำระกายให้สะอาดปราศจากมุลทินโดยดื่มน้ำมันในบาทแล้วลงไปนอนที่ริมน้ำซึ่งท่านลายฮิริกก็เชื่อฟังคาสั่งและถึงแม้ว่าำคำขืนอันเย็นยเยียบของฮิมาลัยจะคลี่คลุมลงมาแล้วแต่ท่านกลับไม่หนาว มีกระแสอันอบอุ่นแผ่สบายไปทั่วร่างตอนนั้นท่านอยู่ท่ามกลางความมืดท่ามกลางกระแสลมหนาวท่ามกลางสายลมที่กรีดหวีดวิวและท่านก็นอนอยู่ บนลานหินริมฝั่งน้ำโดยมีระลอกคลื่นอันเย็นเฉียบของแม่น้ำเนี่ยซัดเข้าหาชายฝั่งเป็นพักๆแล้วก็กระทบตุดคือกระทบถูกตัวท่านซึ่งนอนอยู่บนลานหินริมฝั่งแต่ใจของท่านตอนนั้นเนี่ยไม่มีความกลัวใดๆมีแต่กระแสพลังที่ก่อเกิดขึ้นภายในกายแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่า จะได้รับการปกปักรักษาชนิดที่ไม่มีสิ่งใดมากล้ำกลายทำร้ายได้ท่านนอนอยู่อย่างนั้นหลายชั่วโมงค่ะความทรงจำของอดีตชาติค่อยๆค่อยๆเอ่อคล้ายๆกับค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาท่านจำได้หมดเลยว่าท่านบาบาจีเนี่ยเคยเป็นครูแล้วท่านเคยอยู่ที่นี่ จากนั้นก็มีชายผู้หนึ่งพยุงให้ท่านลุกขึ้นหยิบเสื้อผ้าแห้งๆให้เปลี่ยนแล้วก็บอกว่ามาเถิดพระราาอาจารย์บรอรท่านอยู่แล้วก็พาท่านลาฮิริมหัสยะเดินตัดเข้าป่าไปพอถึงทางเลี้ยวก็มีแสงสว่างเรืองรองปรากฏให้เห็นอยู่ลิบๆเบื้องหน้า ท่านลาฮิริก็ถามว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้วหรือชายผู้นั้นก็บอกว่าไม่ใช่ตอนนี้เพิ่งจะเที่ยงคืนเองแสงที่เห็นเป็นแสงเรืองรองของวังทองที่ท่านครุบาบาจีเนรมิตขึ้นเพราะว่าในอดีตอันไกลโพ้นเนี่ยท่านลาฮิรีมีความปรารถนาที่อยากจะชื่นชมความงามของปราสาทพระราชวังสักครั้งหนึ่ง คือหมาถึงชาติก่อนพอมาตอนนี้ท่านบาบาจีก็เลยเนรมิตพระราชวังเพื่อที่จะสนองความต้องการของท่านลายฮิริเพื่อให้ท่านลาฮิริเนี่ยได้เป็นอิสระจากบ่วงกรรมบ่วงสุดท้ายคือจากความหวังสุดท้ายว่าอยากจะได้ชื่นชมพระราชวัง อ, อ ง, ง, วงอันโอ้อ่างดงามวังอันโอ้อ่าอัครฐานแห่งนี้ จะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกริยาโยคะทิกษาให้กับท่านลายฮิริในคืนนี้แล้วก็พี่น้องทั้งหมดในอดีตชาติก็จะมาร่วมกันต้อนรับยินดีที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งท่านลายฮิริก็ตามชายผู้นั้นไปก็ไปพบกับวังที่โออาสวยงามมากนะคะ มีสีทองสุกปรังประดับประดาด้วยเพชรนินจินดานับไม่ท่วนตั้งอยู่ท่ามกลางอุทยานที่จัดแต่งเอาไว้อย่างสวยงามคือเป็นภาพที่งดงามตรการตามากเต็มไปด้วยเพชพรพลอยโอ้โหแบบอลังการงานสร้างละค่ะแล้วก็มีบุรุษที่หน้าต่างงดงามดังเทพยืนประจําอยู่ตามประตูที่พรางพลายด้วยทับทิมสีแดงสด เป็นวังทองที่ประดับประดาด้วยเพชรนินจินดาทลาฮิริก็เดินตามชายผู้นั้นเข้าไปยังห้องโถงรับรองอันกว้างใหญ่ภายในห้องนั้นมีกลิ่นกำยาาและก็กลิ่นกุหลาบหอมกลุ่นมีตะเกียงอันริบปีส่องแสงเรืองรองหลากหลายสีและก็มีสานุสิตกลุ่มเล็กๆ บางกับผิวคล้ำบางกับผิวผ่องนะคะกำลังสาทยายน์วนอยู่ในลำคอบางคนก็เข้าสมาธิอยู่เงียบๆบรรยากาศภายในห้องมีแต่ความออยินดีมีความสุขแผ่ซ่านอยู่ทั่วไปชายหนุ่มผู้เป็นผู้นาทางก็บอกกับท่านลายฮิริบอกว่าดูเสียให้เต็มตาเถิดชื่นชมกับความงามวิจิตของเวียงวังแห่ง น, นี้ให้เต็มที่ เพราะมันอุบัติขึ้นก็เพื่อเป็นเกียรติแก่ท่านโดยตรงทันลายฮิริก็เลยถามว่าพระาาวังแห่งนี้งามเกินจินตนาการความคิดฝันของมนุษย์ท่านจะกรุณาเล่าถึงที่มาของมันให้ข้าฟังได้หรือไม่ชายผู้นั้นก็เล่าบอกว่าวังที่งดงามแห่งนี้เนี่ยไม่ได้สร้างขึ้นด้วยแรงงานของมนุษย์ ของคำเพชรนินจินดาทั้งหลายก็ไม่ได้ขุดหามาอย่างเหนื่อยยากแต่มันก็ตั้งตระงานอยู่อย่างมั่นคงเป็นความท้าทายอันยิ่งใหญ่ต่อมนุษย์บุคคลใดตระหนักว่าตนเองเป็นบุตรแห่งพระเป็นเจ้าดุจเดียวกับท่านบาตาจีออขออภยัยดุจเดียวกับท่านบาบาจีบุคคลนั้น ย่อมบรรลุเป้าหมายได้ด้วยพลังมหาศาลที่แฝงเร้นอยู่ในตัวเขาเองกองหินธรรมดาธรรมดามีพลังอันมหาศาลของอนูแฝงอยู่ชั้นใดสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการอยู่ในขั้นต่ำสุดก็เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานอันเป็นทิพย์ได้ฉันนั้นแล้วก็ ท่านก็ยื่นมือไปหยิบแจกันเป็นแจกันใบงามนะคะการจับฝังเพชรน้ำงามพราวแล้วก็อธิบายว่าท่านมหาครุขของพวกเราสร้างวังนี้ขึ้นด้วยการผนึกแสงที่มีอยู่มากมายมาหาศาลในจักรวาลเข้าด้วยกันลองจับแจกันและเพชรบนแจกันดูก็ได้ มันให้สัมผัสที่ไม่ได้ต่างไปจากวัตถุธาตุทั่วๆไปเลยทลาฮิริพินิษพิจารณาดูแจกกันก็เห็นว่าบรรดาเพชรนินจินดาอันจมณนีที่ประดับอยู่ก็ล้วนแต่เป็นของที่มีค่าควรเมืองทั้งสิน้นท่านก็ยื่นมือไปจับต้องผนังห้องที่หุ้มด้วยทองคำหนาเป็นชั้นๆสองประกายวาววับ ในจิตของท่านอาบอิ่มด้วยความพึงพอใจอย่างลึกซึง้งความปรารถนาที่ซุกซ่อนอยู่ภายในจิตใต้สำนึกมาหลายชาติพบถึงตอนนี้ได้รับการตอบสนองแล้วก็ได้คลี่คลายสลายไปคือไม่มีอะไรติดค้างแล้วคล้ายกับเป็นความยินดีในสิ่งที่ต้องประสงค์บังเกิดขึ้นและดับไปพร้อมๆกันนั้น ชายผู้นั้นก็นำท่านลาฮิริเดินลอดซุ้มประตูผ่านหมู่ระเบียงเข้าไปในห้องหับที่ประดับประดาตกแต่งด้วยเครื่องเรือนที่พรั่งพร้อมราวกับเป็นวังของพระจักรพรรดิแล้วก็ไปถึงห้องโถงอันใหญ่โตห้องหนึ่งกลางห้องมีบัลลังก์ทองฝังเพชรและผู้ที่นั่งขัดสมาธิเพชรอยู่เหนือบัลลังก์ก็คือท่านมหาครุบาบาจี ลาฮิริเจ้ายัางพึงพอใจในวังทองที่กิเลศชักนำใจให้ไฟฝันหาอยู่กระนั้นหรือจงตื่นขึ้นมาเถิดกิเลสในทางโลกของเจ้าถึงคราวจะระงับดับไปตลอดกาลแล้วลูกเอ๋ยลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นมารับกิริยาโยคะทีกสาอันจะนำพาเจ้าไปสู่อาณาจักรแห่งพระเป็นเจ้า ท่านบาบาจียื่นมือออกมากองไฟศักดิ์สิทธิ์ปรากฏขึ้นมีผลไม้และดอกไม้รายล้อมอยู่รอบนอกท่านลายฮิริมหัสยะได้รับถ่ายทอดวิชายโยคะเพื่อความหลุดพ้นณ เ, เบื้องหน้าท่านบาบาจีและก็เบื้องหน้าแท่นที่มีกองไฟพิธีดังกล่าวเสร็จสิ้นลงในยามฟ้าสาง ท่านบาบาจีก็ได้ถ่ายทอดเหมือนกับถ่ายทอดศาสตร์ที่จะให้ท่านลาฮิริมหัสยาเนี่ยเอาไปเผยแพร่ต่อท่านลาฮิริบอกว่าท่านมีความสุขจิตมีปิติหล่อเลี้ยงจนไม่รู้สึกง่วงนอนเลยแม้แต่น้อยแล้วท่านก็ถือโอกาสเดินชมห้องหับต่างๆที่เต็มไปด้วยงานศิลปะชิ้นงาม แล้วก็สมบัติประดามีมากมายเสร็จแล้วก็ออกไปชมอุทยานน้อยใหญ่หมู่ถ้ากับเชิงผาอันแห้งแล้งคือก็เป็นที่เดียวกับที่เห็นเมื่อวานแต่เมื่อวานนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เชิงผาอันแห้งแล้งแต่วันนี้เป็นปราสาทราชวังที่สวยงาม จากนั้นนะคะท่านบาบาจีเนี่ยคือท่านบาบาจีนั่งนั่งอยู่นบนบันลังแล้วก็มีสานุสิทธ์รายล้อมอยู่รอบๆแล้วก็อยู่กันอย่างเงียบๆท่านบาบาจีก็ถามบอกว่าหิวหรือยังคงหิวแล้วมั้งถ้าเช่นนั้นหลับตาลงเสียสิก็สั่งละท่านลาฮิริให้หลับตาพอท่านลาฮิริมหัสยลืมตาขึ้นปรากฏว่าวังกับ อุทยานอันงดงามเนี่ยก็อันตรฐานหายไปค่ะกลายเป็นว่าตัวท่านแล้วก็ท่านบาบาจีรวมไปถึงสานุสิทธิ์นั่งอยู่บนพื้นอันว่างเปล่าไม่ไกลจากปากถ้ำหินที่มีแสงแดดฉายส่องลงมา ท่านจำได้ว่าผู้นำทางเคยบอกไว้ว่าวังเนี่ยจะสลายไปอนูที่ถูกยึดโยงไว้ด้วยกันจะถูกปลดปล่อยให้กลับคืนสู่แก่นแท้ของความคิดต้นกำเนิดท่านบาบาจีก็บอกว่าเวลานี้วังที่เราเนรมิตขึ้นมาได้ทำหน้าที่ของมันครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว วางมือของเจ้าลงในชามนี้แล้วจะได้รับอาหารตามที่เจ้าต้องการพอท่านลายฮิริเอามือแตะชามใบใหญ่อันว่างเปล่าก็มีมีอาหารปรากฏขึ้นมีแกงกะหรี่ลูชีทอดด้วยเนืยร้อนๆก็เป็นอาหารอินเดียนะคะแล้วก็ขนมหวานก็นั่งกินอาหารกัน อาหารนี้เนี่ยกินยังไงก็ไม่พร่องเพราะอิ่มแล้วมองหาน้ำดื่มท่านครุก็ชี้มายังชามข้าวตรงหน้าจูๆ่ๆอาหารก็อันตรทานหายไปมีน้ำมาแทนที่นะคะน้ำเต็มชามเลย บ่ายวันนั้นท่านลาฮิรินั่งอยู่บนอาสนะผืนเก่าของท่านแล้วท่านก็รำลึกถึงความเชื่อมโยงกับอดีตชาติท่านบาบาจีเดินเข้ามาหาแล้วก็วางมือลงบนศรีรษะของท่านจิตของท่านก็ดิ่ง แล้วก็ดำรงอยู่ในปิติติดต่อกันเป็นเวลาเจ็ดวันค่ะพอวันที่8ท่านก็คุกเข่าแทบเท้าท่านอาจารย์บาบาจีอ้อนบอลขอให้ท่านรับไว้คืออ้อนบอนขอให้ท่านรับไว้เป็นสิทธิ์แล้วก็จะขออยู่ในป่าเขาพงไพรกับท่านบาบาจีตลอดไปแต่ท่านบาบาจีเนี่ยบอกว่าไม่ได้ บทบาทในชาตินี้ของท่านลาฮิริจะต้องอยู่ต่อหน้าผู้คนก่อนหน้านี้เนี่ยท่านลาฮิริได้มีวาสนาเปรีกวิเวกบำเพ็ญสมาธิมาหลายชาติหลายภพแล้วชาตินี้เนี่ยจะต้องออกไปประปนกับผู้คนบนโลกจะต้องรับภาระหน้าที่ที่ไปสั่งสอนผู้คน ท่านบาบาจีบอกว่าภาระหน้าที่ซึ่งแฝงอยู่ลึกๆนี้เป็นเหตุให้ชาตินี้เจ้าไม่ได้พบกับเราจนกระทั่งหลังจากที่เจ้าแต่งงานมีครอบครัวเล็กๆและมีหน้าที่การงานเป็นหลักเป็นฐานแล้วเ <veggies whistle io> จ้าต้องละวางความ yani, คิดที่จะมาอยู่ร่วมกับคณะของพวกเราในหิมาลัยนี้ชีวิตของเจ้า อยู่ท่ามกลางผู้คนในเมืองใหญ่เป็นโยคียผู้เพียบพร้อมในร่างของขรือหัดให้พวกเขาได้เห็นเป็นแบบอย่างเจ้าไม่มีความจำเป็นใดๆบีบบังคับให้ต้องสละซึ่งทางโลกเพราะจิตบิน ญ, ญาณของเจ้าได้ตัดขาดจากผลผูกพันของกรรมในอดีตชาติจนหมดสิ้นแล้วถึงยังอยู่ในโลกนี้ เจ้าไม่ต้องยึดกับมันเจ้ายังมีเวลาอีกหลายปีที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้ลุล่วงไปด้วยความสุขุมรอบคอบทั้งหน้าที่ต่อครอบครัวอาชีพการงานสังคมและหน้าที่ทางจิตวิญญาณจงถ่ายทอดกิริยาโยคะ ให้แก่สิทธิ์ที่มีคุณสมบัติเพียบพร้อมเท่านั้นมีแต่ผู้ที่ปฏิญาณว่าจะสละสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในการแสวงหาพระเป็นเจ้าเท่านั้นจึงจะควรค่าแก่การได้รับรู้ความลี้ลับประการสุดท้ายของชีวิตผ่านศาสตร์แห่งการเจริญสมาธิ <Okay. S 1> ทานายฮิริกก็ถามท่านบาบาจีนะคะขอร้องบอกว่าอาจารย์ขอรับในเมื่อท่านเมตตา ฟื้นฟูศาสต์แห่งกริยาโยคะที่สูญหายไปให้กลับคืนมาสู่มนุษยชาติอีกครั้งท่านจะไม่ยอมผ่อนปรนเงื่อนไขในการรับสิทธ์เพื่อช่วยเหลือพวกเขาเพิ่มขึ้นอีกสักนิดเลยหรือขอรับกระผมกราบวิงวอนขอท่านได้โปรดอนุญาตให้กระผมสอนกริยาโยคะให้แก่ทุกผู้ที่แสวงหาพระเป็นเจ้าด้วยใจจริงถึงแม้ว่าเมื่อแรกพวกเขาอาจจะไม่สามารถปฏิญาณได้ว่า จะให้ใจละทิ้งเรื่องทางโลกให้หมดสิ้นก็ตามปุตุชนผู้ทนทุกข์ในโลกล้าทั้งชายหญิงล้วนต้องประสบกับความทุกข์ถึงสามด้านจึงต้องการการสนับสนุนส่งเสริมเป็นพิเศษพวกเขาอาจไม่คิดจะก้าวเดินไปบนเส้นทางสู่ความหลุดพ้นเลยหากถูกปิดกั้นไม่ให้เข้าถึงกิริยาโยคะด้วยเหตุนี้คือขอร้องว่าคนที่จะมาเรียนเนี่ย อาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องสละสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าก็ยากอยู่ที่จะถ่ายทอดให้เฉพาะคนที่สละสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างขอแค่ให้มีความตั้งใจจริงก็น่าที่จะได้เรียนเพื่อที่ว่าเมื่อได้เรียนแล้วเนี่ยจากนั้นพวกเขาเอ่อก็คงจะ ตัดสินใจในลําดับต่อไปว่าจะละทิ้งเรื่องทางโลกหรือไม่นะคะแต่ถ้าเกิดจะถ่ายทอดเฉพาะคนที่ตั้งใจจริงเนี่ยก็คงลําบากท่านบาบาจีก็บอกว่าตามใจเพราะเป็นเจ้าทรงแสดงพระประสงค์ผ่านทางตัวเจ้าจงมอบกิริยาโยคะให้กับทุกผู้ ที่มาขอความช่วยเหลือจากเจ้าด้วยจิตอัอ่อนน้อมเงินไขก็เลยเปลี่ยนไปนะคะว่าสอนได้กับคนที่มาขอความช่วยเหลือด้วยจิต อ, อ่อนน้อมจากนั้นเช้า ว, วันรุ่งขึ้นค่ะท่านลาฮิริกก็ต้องจากท่านบาบาจีอย่างไม่เต็มใจท่านบาบาจีก็บอกว่า ระหว่างเราไม่มีการแยกจากกันดอกนะลูกไม่ว่าเจ้าจะอยู่ที่ไหนเมื่อใดก็ตามที่เจ้าเรียกหาเราจะไปหาเจ้าทันทีด้วยคําสัญญาของท่านบาบาจีก็ทําให้ท่านลาฮิริรู้สึกสบายใจขึ้นอุ่นใจขึ้นจากนั้นท่านก็กลับลงมาที่สํานักงานนะคะหลังจาก หายไปสิบวันเพื่อนร่วมงานก็ต้อนรับด้วยความยินดีและก็คิดว่าท่านลายิริเนี่ยหลงทางหลงทางอยู่ประมาณ1ิบวันคือคิดว่าหลงทางไม่นานหลังจากนั้นค่ะทางสำนักงานใหญ่ก็มีจดหมายมาข้อความในจดหมายบอกให้ย้ายท่านลาหิริมหัศยะกลับไปประจำที่ทานนภระเหมือนเดิมโดยบอกว่า การย้ายท่านลาฮิริมาที่รานีเขต ท, ที่ที่ฮิมาลัยเนี่ยเกิดจากข้อผิดพลาดบางประการเจ้าหน้าที่ที่ควรจะต้องมาประจำที่นี่เป็นอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นท่านลาฮิริจะถูกย้ายกลับไปอย่างที่เดิม ก็เหมือนกับว่าย้ายท่านมาเพื่อที่จะให้มาเจอะเจอแล้วก็รับกริยาโยคะจากท่านบาบาจีนั่นเอง mm hmm. นี่คือเรื่องเล่านะคะที่สิทธิ์ของท่านลาฮิริเนี่ยเล่าให้ท่านโยคานันทาฟังว่าตอนที่ท่านลาฮิริมหัสยะพบกับท่านบาบาจี เรื่องราวเป็นอย่างไรนี่เป็นช่วงเวลาที่ได้พบกับท่านบาบาจีซึ่งเชื่อว่าท่านเป็นครุเทวาก็คือเป็นอวตารของพระเป็นเจ้านะคะยังมี อีกนะคะว่าก่อนที่จะกลับไปยังทานนปุระเนี่ยท่นลาฮิริก็ได้ไปพักอยู่กับครอบครัวชาวเบงกอลครอบครัวหนึ่งแล้วก็มีเพื่อน6คนแวะมาทักทายแล้วเพื่อนทั้ง6เนี่ยก็คุยประมาณว่าโอ้ยอินเดียสมัยเนี้ยโยคียแท้ๆไม่มีเลยหาไม่ได้แล้วท่นลาฮิริก็บอกว่าไม่จริงยังมีครูบาอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่อยู่นะ ลฮิริก็อยากจะให้เพื่อนๆได้เห็นนะคะว่ากรูบาอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่เป็นของจริงเนี่ยยังมีอยู่และท่านก็เล่าประสบการณ์บนฮิมาลัยที่เพิ่งไปพบเจอมาให้เพื่อนๆกลุ่มนี้ได้ฟังที่ไปเจอกับท่านบาบาจีในพระราชวังที่งดงามตระการตา เพื่อนๆก็บอกว่าโอ้ยตอนนั้นเนี่ยเครียดหรือเปล่าอากาศบนภูเขานี่ก็เบาบางสงสัยว่าคงเป็นแค่ฝันกลางวันเท่านั้นแหละเพื่อนก็ไม่ยอมเชื่อทีนี้ด้วยความร้อนใจนะคะอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเรื่องที่เล่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงก็เลยบอกว่านี่นะถ้าผมร้องขอท่านบาบาจีจะมาปรากฏตัวในบ้านหลังนี้ทันทีทุกคนก็้ยจริงหรือเปล่า ท่านก็เลยนั่งสมาธิแล้วก็เชิญท่านบาบาจีให้มาหาท่านบาบาจีมาจริงๆนะคะแต่ท่านบาบาจีมาดุบอกว่านี่เรียกมาเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่องอย่างนั้นเหรอสัจธรรมเนี่ยมีไว้เพื่อคนที่ออกแสวงหายอย่างจริงจังและจริงใจไม่ใช่เรื่องที่จะมีไว้สําหรับพวกที่อยากรู้อยากเห็นแค่ชั่วประเดียวประดาว ท่านลาฮิริก็ขอโทษนะคะแล้วก็บอกว่าอยากให้เพื่อนเหล่านี้เนี่ยได้มีศรัทธาได้เห็นว่าโยคีที่เป็นครูบาอาจารย์ของจริงเนี่ยยังมีอยู่ท่านบาบาจีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นท่านก็จะช่วยเพื่อที่จะไม่ให้เพื่อนๆของท่านลาฮิริเนี่ยเห็นว่าท่านลาฮิริเป็นเด็กเลี้ยงแกะ แล้วก็ย้ำว่านับแต่นี้ท่านจะมาหาก็ต่อเมื่อมีความจําเป็นที่จะต้องพบจริงๆเท่านั้นคือจะไม่มาทุกครั้งที่เรียกให้มาแล้วหลังจากนั้นค่ะท่านบาบาจีเนี่ยก็ออกไปพบกับเพื่อนๆของท่านลาฮิริที่ท้าทายนะคะทุกคนก็งงมากเมื่อเห็นร่างที่มีรัศมีอันเรืองรอง อยู่รอบกายคนหนึ่งก็บอกว่าอุ๊ยตายแล้วนี่เป็นการสะกดจิตหมู่หรือเปล่าเนี่ยท่านบาบาจีก็ยิ้มเข้าไปหาทุกคนแล้วก็แสดงท่าทีให้แต่ละคนเนี่ยใช้มือสัมผัสจับต้องร่างกายอันอบอุ่นด้วยเลือดเนื้อของท่านทุกคนก็หายข้องใจแล้วก็กราบไหว้ท่านด้วยความยำเกรงและสำนึกผิด จากนั้นท่านบาบาจีก็อวยพรให้กับทุกคนทีละคนแล้วก็ปรากฏแสงสว่างว่าทุกคนได้เห็นธาตุอิเล็กตรอนในร่างของท่านสลายกลายเป็นแสงอันเลือนสลรุคล้ายกับหมอกควันท่านใช้อํานาจจิตที่ปรับให้เข้ากับกระแสแห่งพระเป็นเจ้าสลายอนูที่ยึดเกาะกันไว้เป็นกายสังขารให้คลายตัวออกจากกัน แล้วกระแสปราณอันเล็กจิ๋วนับอนเนกอันนันก็จางหายกลับคืนไปสู่แหล่งกักเก็บอันภัยศาลของมันในทันทีเรื่องราวของชีวิตโยคีจากหนังสืออัตชีวประวัติของโยคียังมีต่อนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ สมุรหลังใหม่ห้องสมุดที่ฟังได้ทางวิทยุกับรัศมีมณีนิน